ต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆ อสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เรากลายจะหลับแล้วเราก็นึกน้อมใจของเราให้หยุดไปนิ่งๆอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางทองของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือใอจยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายหยุดนิ่งนิงให้ใจเราใส จะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดยกลางดวงใสๆด้วยก็ได้หยุดนิ่งๆหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสถ้าหยุดได้ถูกส่วนพอดีพอดีตัวมันจะขยายกายขยายใจขยายแต่ถ้าหากเราหยุดไม่ถูกส่วน มันจะแคบนิ่งแต่แคบแต่ถ้าถูกส่วนนิ่งแล้วต้องขายายต้องโลง่งต้องโปรง่งต้องเบาต้องสบายสบายขายายตัวหายไปเลยแล้วใจนิ่งอยู่ ะจุดที่สบายจะหยุดนิ่งๆเดี๋ยวความสว่างก็จะเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นมาทีละน้อยจนกระทั่งสว่างมากๆสว่างใส และใจก็จะตกศูนย์วุบลงไปไปฐานที่หกไปยกอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์เป็นดวงใสกลมรอบตัว มันดวงแก้วขยัสิจะใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรเนี่ยเราก็ต้องหยุดให้ถูกส่วนอย่างนี้ถูกส่วนแล้วต้องเป็นอย่างนี้เนะี่ยจะไม่ผิดจากนี้ไปใจจะขิ่งเคลี่ยงจะมีอยู่ดวงเดียวนะดวงนิ่งดวงใสบริสุทธ แล้วก็มีการตื่นตัวภายในมันจะมีชีวิตชีวาใจจะเกงเกลี้ยงนิ่งนิ่งแล้วก็สงบสะอาดสว่างตั้งมั่นไม่มีความคิดอื่นใดเลยจะปลอดความคิด มีแต่จะเข้ากลางไปเรื่อยๆ เ, เข้ากลางไปเห็นทีละดวงคือเข้ากลางจุดสว่างที่กลางดวงใสๆจุดสว่างจะอยู่ตรงศูนย์กลางของดวงทำดวงแรกมันจะใสกว่า ทำดวงนั้นเราเมื่อทําดวงนั้นขยายจุดสว่างกับขยายเพืพร้อมกันจนกระทั่งดวงนั้นดวงแรกหายไปจุดสว่างก็จะขยายเป็นดวงที่สองเป็นดวงศีลหละกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างจะเข้าถึงดวงสมาธิ ไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยถึงดวงปัญญาดวงวิมุตตดวงวิมุตติญาณนัสนะแต่พอมาถึงกลางดวงวิมุตติญาณศัสนะจุดสว่างแทนที่จะขยายเป็นดวงต่อไปเป็นดวงที่เจ็ดก็กลายเป็นกายมนุษย์ละเอียด ขยายมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดมันจะพอดีพอดีอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้พอดีมันจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีตัดทอน เช่นดวงเกิดก็มายุแย่เราได้ยินได้ฟังว่ามันต้องเหลือหกเราเลยตัดทอนตั้งแต่ดวงที่เจ็ดไปถึงดวงที่ร้อยที่พันที่1มื่นที่แสนที่ล้านเพื่อจะให้มันพอดีอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็คือดวงที่พุดมานึกเหมือนน้ำพุนั่นแะ เมื่อเราดูไปเรื่อยๆสบายๆดวงสุดท้ายที่ไม่มีต่อไปนั่นแหละมันจะนิ่งรับพาใจของเราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์ไปเปิดเผยให้เราได้เห็นความใสของดวงปฐมมรรคที่เกิดขึ้นมา แทนที่ดงเก่าก็หายไปแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละจนกระทั่งถึงกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะจุดสว่างนั้นก็กลายมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีหน้าตาเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชาย นั่งคัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับโตของเราเนี่ยจะเป็นไปเองไม่ใช่ไปทำให้ปรุงแต่งให้มันเป็นจะจะเป็นไปเองอย่างดีอย่างนี้จึงถูกต้องแต่ทำไมใช่อย่างนี้ก็ต้องฝึกต่อไปและในระหว่างที่ฝึกก่อนที่มันจะตกศูนย์เข้าไปเนะี่ย จะมีภาพอะไรเยอะแยะภาพทะลกภาพสวรรค์ภาพเหตุการณ์ภาพของคนโน้นคนนี้หรือผุดรู้อะไรเกิดขึ้นมาเหมือนมียาณทัศนะวิธีที่ถูกต้องคืออย่าไปสนใจให้ความสำคัญเกินไปให้ดูเฉยๆไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆเพราะตรงนี้คือหลุมพลางของพญา ม, มารที่จะทำให้เราหมกมุ่นผัวพันอยู่กับตรงนี้เนี่ยบางคนยาวนานหลายสิบปีทีเดียวมันก็น่าเสียดายถ้าเรามาผูกพันติดใจอยู่ที่ตรงนี้ แล้วก็แทนที่จะไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังกลับเาเล่าสู่กันฟังซึ่งล้วนแต่ไม่มีประสบการณ์ภายในพอฟังอำไมก็มีกองเชียร์ก็ชวนกันขอลกข้าพงกันไปอย่างนั้นถ้าเราเป็นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่านี่ คืิในมิติเลื่อนลอยเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันยังไม่ใช่ของจริงที่เกิดขึ้นเพราะจิตในตอนขั้นนี้มันยังบริสุทธิ์ไม่พอที่จะไปรู้ไปเห็นได้อย่างถูกต้องเพราะญาณทัศน์นนจะมีในธรรมกายเท่านั้นต้องธรรมกายหั่อยนะได้ส8บปดกายไปแล้ว ถ้าเราไม่ได้เป็นแต่เพื่อนสหธรรมิกเป็นสิ่งที่เราควรจะทำคือแนะนำเขาว่าได้ยินได้ฟังหลวงพ่อบอกมปอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ทำตามที่หลวงพ่อแนะคือจะไปติดใจจะไปติดตามให้ดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆ เขาไม่เชื่อเพราะเขาจอบเวลาพูดไปมันก็มีคนมาห้อมล้อมเลยถ้าไม่ให้เสียพวกเราก็หนิงเฉยๆซะขาจะเล่าอะไรฟังเราก็หนิงเฉยๆไม่ซักไม่ถามอะไรก็ยิ้มยิ้ ม, มเฉยหรือถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้เรื่อนก็นต้องถอยห่างออกมาเพื่อเราจะได้ช่วยเขาได้เต็มที่ เราจะมีคนไปห้อมล้อมแล้วก็ความหลงผิดหลงตัวเองมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นผลเสียทั้งต่อตอนเองหมู่คณะและก็วิชาธรรม ก, กายทำให้คนอื่นที่เขาได้ยินก็พลอยเขาใจผิดไปด้วยเพราะฉะนถ้าเราจะช่วยเหลือเพื่อนสหธรร ม, มิกก็ต้องทำอย่างที่ว่าไว้ คื อ, อยือเฉยรับฟังให้เฉยไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรเมื่อเราแนะนําแล้วก็ไม่รับฟังเราก็เฉยเฉยเราก็ทําของเราไปยิ้มยิ้มแล้วก็เฉยเฉยดูก็เป็นตัวของเราแต่ถ้าทําแล้วไม่ได้ผลก็ต้องถอยห่างออกมาแล้วก็อย่าไปห้อมล้อมก็เราก็ไปเดินชมนกชมไม้ปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมของเรา เมื่อเขาไม่มีใครห้อมล้อมแล้วนะมันก็จะได้คิดเพราะได้คิดก็คิดได้จะได้คิดเป็นแตกระถือเป็นกรรมของเข า, เาแล้วกันเราก็ปล่อยเขาไปก่อนอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเขาก็คิดได้เองหละยี่สิบปีสามสิบปีเขาก็คิดได้เองเเดไดองทําอย่างนี้นะลูกนะเวลาเราจะ ช่วยเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันพูดแล้วไม่เชื่อก็นิ่งนิ่งไม่เชื่อก็ถอยห่างออกมาหาเวลามาปฏิบัติธรรมของเราอย่างนี้ก็พ่อจะช่วยได้แต่บางคนมันก็ไม่ได้เพราะเขามีเชื่อเก่ามาเนี่ยก็ต้องให้การเวลามันผ่านไปเน่องจาบางคนติดใจ ที่มีคนมาห้อมล้อมเพราะว่ามันไม่ได้มาแต่คนแต่มาพร้อมกับผลประโยชน์ด้วยอีตรงนี้เลิกอยากมันมาติดราบส ก, กาละใจมันก็ไม่ไปข้างในมันไม่บริสุทธิ์จะแล้วเพราะนั้นลามัดเราวังให้ดีนะลูกเนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่า ต้องทำอย่างนี้ตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาท่านวางหลักสูตรเอาไว้อย่างนี้เราปลอดภัยและก็มีใจชนะก็พยายามฝึกฝนให้ได้อย่างที่ท่านวางหลักสูตรเอาไว้ในสิ่งที่ท่านไปรู้ไปเห็นมาพอเราเดินตามรอยท่านเราก็จะเป็นอย่างท่าน คือไม่เพี้ยนไม่เลอะเทอะไม่เสียเวลาแล้วใจก็จะแล่นกับไปสู่ภายในจิตก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นปัญญาบริสุทธิ์ก็จะตามมาจะให้เราได้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา เสีงพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยืนยันว่าผิดจากนี้ไม่ใช่ต้องอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่คือคำยืนยันของท่านที่มีปรากฏอยู่ในเทปในอัดเสียงของท่านมาเป็นครูแทนตัวท่านเพราะฉะนั้นสิบแปดกายมีอยู่ในตัวของเรานีแหละเป็นแผนผังของชีวิต ต, ติดมาแต่งแต่ปฐมชาติแต่เด้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดกันเรื่อยมาเลยเราก็จะต้องศึกษาค้นคว้ากันไปให้ถึงในจุดที่เป็นอย่างนั้นเราเรียนเพื่อจะเอามาไว้ใช้เป็นที่พึ่งตัวของเราให้ชีวิตเรามันสมบูรณ์มีความสุข มีความรู้จแจ้มมีความบริสุทธิ์เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเข้าไปถึงพระตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมระตนะถึงสังคละตนะนั่นแหละเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นที่พึ่งที่ระลึก อ, อยู่ในตัวของเรา ถ้าเข้าถึงแล้วถึงจริงๆเราจะรู้จักหายสงสัยทันทีเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราคิดว่ากับสิ่งที่เป็นจริงมันจะต่างกันเหมือนฝ้ากระดินทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกฝนอบรมไปนะลูกนะต้องฝึกเอาให้ได้ของจริงๆของไม่จริงเลยอย่าไปสนใจมันเสียเวลา ตอนนี้ล้วก็หยุดนิ่งไปเรยเอยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบาย